17. วิธีแห่งโพธิสัตว์ว่าโดยสรุปคุณธรรมที่โพธิสัตว์ทั้งหลายจะต้องดำเนินคือทานศีลขันติวิริยะสมาธิปัญญาเมตตาและอื่นๆในทํานองเดียวกันทานคือการเสียสละของของตนให้แก่ผู้อื่นศีลคือการช่วยเหลือผู้อื่น ขันติคือการอดทนอดกลั้นต่อความโกรธความขุ่นเคืองในใจความเพียรคือการกระตือรือร้นในการบำเพ็ญบุญกุศลสมาธิคือการมีจิตเป็นหนึ่งอย่างไม่เคร่งเครียดปัญญาคือความเข้าใจแจ้งชัดในสัจธรรมเมตตาคือจิตที่ปรารถนาที่จะช่วยเหลือสรรพชีวิต เพราะการให้จึงทําให้มีสมบัติมากเพราะมีศีลจึงทําให้มีความสุขเพราะขันติจึงมีบุคลิกลักษณะที่ดีเพราะวิริยะจึงสุกใสไปด้วยกุศลเพราะสมาธิจึงสุขสงบเพราะปัญญาจึงหลุดพ้นเพราะเมตตาความปรารถนาใดๆจึงสำฤทธิ์ผล เพราะความสมบูรณ์พร้อมของบา ร, รมีทั้งเจนี้จึงบังเกิดปัญญายาณอันวิเศษแห่งผู้ปกป้องโลกผู้ที่รักในการปฏิบัติเพื่อฝึกฝนตนให้ยิ่งขึ้นคือผู้ที่รักในตนเองอย่างแท้จริงหากว่าความรักในตนนั้นบังเกิดประโยชน์การปฏิบัติก็บังเกิดประโยชน์เช่นกันดังนั้นจงใส่ใจต่อการปฏิบัติ เหมือนกับที่เธอใส่ใจตนเองจงใส่ใจต่อความสําเร็จเหมือนกับที่เธอใส่ใจต่อการปฏิบัติจงใส่ใจต่อปัญญาเหมือนกับที่เธอใส่ใจต่อความสําเร็จจงใส่ใจต่อความรู้แจ้งเหมือนกับที่เธอใส่ใจต่อปัญญาผู้ที่หว่นใจว่ามันจะเป็นการไม่ดีสําหรับตน หากตนเชื่อถือบุคคลผู้มีความบริสุทธิ์มีความรักความเมตตาและมีปัญญารวมทั้งเชื่อถือคำพูดที่มีประโยชน์และมีเหตุผลนั่นย่อมทำให้ประโยชน์ของพวกเขาที่ควรจะได้รับถูกทำลายเธอควรจะรู้จักความสามารถของผู้นำทางจิตวิญ ญ, ญาณของเธออย่างคร่าวๆหากเธอได้รับการสอนโดยผู้ซึ่งมีความรู้มีเมตตาและมีศีล รวมทั้งมีปัญญาที่จะหาอุบายจัดการกับกิเลส ข, ของเธอได้เธอควรจะเคารพและพยายามทำความเข้าใจในคำสอนของท่านให้แจ้งชัดเธอจะสามารถบรรลุ ถ, ถึงจุดหมายสูงสุดได้ด้วยการปฏิบัติตามระบบที่ดีเลิศดังต่อไปนี้จงพูดแต่ความสัต์จริงและพูดด้วยวาจาที่สุภาพต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย มีปกติอ่อนโยนมีไมตรีจิตและหนักแน่นสุภาพไม่ใส่ร้ายผู้อื่นมีความเป็นตัวของตัวเองและพูดจาไพเราะมีระเบียบวินัยรู้จักควบคุมตนเองและใจกว้างงดงามด้วยจิตที่สงบส ง, งียมมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่ผัดวันประกันพรุ่งไม่หลอกลวงแต่มีน้ำใจไมตรี จงสุภาพนุ่มนวลดังเช่นพระจันทร์วันเพน็ญจงเฉิดฉายดังเช่นพระอาทิตย์ในฤดูใบไม้ร่วงจงลุ่มลึกดังเช่นมหาสมุทรจงมั่นคงดังเช่นเขาพระสุเมนทำตนให้ปราศจากข้อผิดพลาดทั้งปวงและงดงามไปด้วยคุณธรรมเป็นผู้ช่วยเหลือคำจุนสรรพสัตว์ทั้งหลายและมีความรอบรู้คาสอนนี้ มิได้สอนเฉพาะพระราชาเท่านั้นแต่สอนเพื่อช่วยเหลือและอย่างประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งมวลโอพระราชามันเป็นการสมควรแล้วสำหรับเธอที่จะหมั่นคิดพิจารณาคําแนะนำสั่งสอนนี้เพื่อที่เธอและคนอื่นๆจะได้บรรลุ ถ, ถึงซึ่งความรู้แจ้งอันสูงสุดสำหรับผู้ที่สแสวงหาซึ่งการหลุดพ้น ควรจะหมั่นปฏิบัติตนเช่นนี้อยู่เสมอคือรักษาศีลให้ความเคารพอย่างยิ่งต่อครูอาจารย์มีขันติความอดทนอดกลั้นไม่อิจฉาริษยาไม่ตรหนีทีเหนียวหมั่นบริจาคทรัพย์สมบัติของตนเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากคบหาบุคคลที่ดีหลีกห่างจากเหล่าคนพาน และจงรักษาและปฏิบัติตามคำสอนนี้เป็นอย่างดียิ่ง